บัวสามเหล่าเนี่ยมันต้องบัวสี่เหล่าอายไปไหนเหล่านยบัวต้องสี่ดอกแต่เนี่ยบัวสี่เหล่าคนไม่รู้ความหมายของบัวเอาเป็นบัวสามเป็นรัตนนาใจพวกบัวเหล่าที่สี่ไม่ตัวเหล่าที่สี่อยู่ในดินน ะ, ะใช่ถูกต้อง ถูกต้งแล้วไม่สี่เหล่าไม่ได้เหล่าที่สี่อยู่ในดินตามโคนตามตมเนี่ยพุทธศาสนาสอนว่าคนเรานี่แบ่งไว้เป็นสี่จำพวกด้วยกันเหมือนพวกบัวสี่เหล่า mm. คือมีความรู้ความสามารถต่างกันที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมได้ แสงสว่างแห่งธรรมก็เป็นเหมือนแสงอาทิตย์บัวที่จะได้รับประโยชน์จากแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ก็คือบัวที่อยู่เหนือน้ำานบัวเชือชนิดแรกเนี่ยบัวที่อยู่เหนือนา้าพอเจอแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็บานแต่บัวที่อยู่ปริ่มน้ำบัวที่อยู่ใต้น้ำบัวที่อยู่กับโคนตมเนี่ยยังไม่สามารถรับแสงสว่าง ของดวงอาทิตย์ได้ใจของคนเราก็เป็นอย่างนี้บางคนก็รับแสงสว่างแห่งธรรมได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจเกิดศรัทธาเกิดฉันทะเกิดวิรยิยะเกิดความเพียรขึ้นมาที่จะปฏิบัติตามเชานั่งตามสบายนะตรงไหนสะดวกก็นั่งได้ทา้ ถ้าทางการจะถวายข้าวของก็เชิญยังถวายได้วันนี้ไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้พูดเรื่องที่มันมากระทบมีอะไรมากระทบก็พูดไปไม่ได้ตั้งใจเอาเรื่องอะไรมาพูดหาเรื่องพูดวันนี้พูดแบบหาเรื่อง อันนี้มีเรื่องบัวมาให้พูดกันเลยพูดเรื่องบัวก่อนอาเอาดอบัวมาถวายกันเลยคิดถึงบัวสี่เหล่าถ้าอยากจะได้เก้าอี้ก็มีเก้าอีาอ้ทางนู้นไปหยิบ ม, มานั่งได้ตามสบายมีเก้าอี้ที่นี่ดีอย่าง ที่นั่งได้นั่งได้หลายประเภทมีทุกแบบนั่งบนศาลานั่งกับพื้นนั่งกับบันไดนั่งกับเก้าอี้มีใครเคยได้ไปวัดสวนเมืองหรือเปล่าเห็นเขาว่าโบสถ์นี่เป็นโบสถ์ธรรมชาติโบสถ์แบบใช่ไหมที่ไม่ไม่ได้เป็นตัวอาคาร เป็นเหมือนอย่างนี้แล้วก็เป็นหินอะไรใช่ไหม อ, อยู่ในลานหินอยู่ในอันนี้ก็คล้ายๆกันนะอันนี้ก็ศาลาธรรมชาติศาลาใหญ่เมื่อก่อนนี้ตอนที่คนเริ่มมามากๆ ก, ก็กำลังคิดว่าจะต้องขยายศาลาก็จะหาที่ปลูกเพราะที่ทางนี้มันไม่มีที่ปลูกไป ไปขอป่าไม้เขาบอกว่าปลูกไม่ได้เพราะว่าเป็นเขอห้ามไม่ให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างให้ปลูกได้เฉพาะส่วนที่ปลูกอยู่แล้วถ้าจะลือของเก่าสร้างใหม่ได้ mm. ก็เลยเอาเสือมาปูแทนก็เลยไม่ต้องปลูกอย่างนี้ญา่ิโย่มาถ้าสาลานั่งไม่ได้ก็นั่ง ตามลาตามตามทางตามอะไรไปก็สามารถรับได้มากกว่าการไปปลูกศาลาซึงมีปัญหาอย่างเดียวคือตอนฝนตกซึ่งปีหนึ่งมันก็จะเจอฝนกันสักไม่ไม่เกินสี่ห้าครั้งเจอฝนก็หนีกันไปก็แล้วกันตัวใครตัวมันไปนั่งในรถ เ, รเข้ามาในศาลา ศาลานี้เวลาจะนั่งจริงๆก็นั่งได้ตั้4สี่ห้าสิบคนเวลาฝนตกนี่เข้ามาเต็มมา ก, กี่คนเนี่ยญาญโยมที่มาสี่มาจากกรุงเทพเืยเกิดมาแล้วใช่ไ้ย ม, มีอะไรอยากจะถามอยากจะรู้ไหมมาคราวนี้ไม่มีอะไรเจาะจงเลย อันนี้ก็จะพูดเรื่องบัวสีเหล่าต่อเมื่อกี้เห็นเขาทำบัวสามสามดอกก็คิดว่าเอาขาดไปดอกหนึ่งแต่ก็ได้ปัญญาขึ้นม า, อ, าอ๋ออีกดอกนึงมันยังไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมาพวกยิที่ถูกพวกปูปลากินเป็นอาหารปูของปลาพวกนี้จะไม่มีวันโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำได้ แต่อีกสามพวกนี้พวกที่อยู่เหนือน้ําแล้วพวกที่อยู่เปลิ่มน้ําแล้วก็พวกที่อยู่กลางน้ำเนี่ยเป็นพวกที่จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็รับแสงสว่างรับประโยชน์จากแสงสว่างของดวงอาทิตย์คือบานออกมาได้ใจของพวกสัตว์โลกนี้ก็เหมือนกัน เป็นเหมือนพวกบัวสี่เหล่าใจที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากบัวใต้น้ำขึ้นมาเป็นบัวปลิมน้ำแล้วก็เป็นบัวเหนือน้ำตามลา ด, ำดำับคือใจที่เริ่มมีสติปัญญามากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็จะค่อยๆ จเจริญเติบโตขึ้นมาจนโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำอตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาขั้งแรกนี้พระพุทธเจ้าทรงเลือกสแสดงกับพวกที่เป็นบัวเหนือน้าแล้วบัวที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้ารอให้แสงอาทิตย์ส่องออกมาก็จะบานขึ้นมา คือเป็นพวกจิตใจของผู้ที่มีความสามารถพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าได้ใจพุทธที่จะสามารถรับแสงสว่างแห่งธรรมได้ต้องเป็นใจที่มีศีลมีสมาธิพระพุทธเจ้าก็ไปแสรกแดงทำให้กับพวกที่มีศีลสมาธิก็คือพวกนากบวชนั่นเอง สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็มีนักบวชแต่เป็นแต่ไม่ได้เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเพราะตอนนั้นยังไม่มีศาสนาพุทธอย่างสมัยนี้ในประเทศอินเดียก็ยังมีนักบวชอยู่หลายลทัทธิด้วยกันเขาก็ยังแสวงหาแสงสว่างแห่งธรรมกันอยู่ตามความเข้าใจของเขาซึ่งถ้าเขาไม่เข้าหาพระพุทธศาสนานั้น เขาจะไม่ได้แสงสว่างแห่งธรรมที่ถูกต้องที่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมแท้เขาก็ยังจะต้องอคำทางต่อไปพวกลืลลอสีชีพาต่างๆเขาก็ถือศีลกันแล้วก็ถือบำเพ็ญพลดมีการละเว้นอะไรแปลกๆบางพวกก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเขาเรียกพวกชีเปลยบางพวกก็ไม่ตัดผมตัด หนวดคิดว่าร่างกายเป็นธรรมชาติต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็เคยลองแล้วปล่อยให้ร่างกายมันไม่กินข้าวดูปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ความทุกข์ก็ยังไม่ดับไปกับการปล่อยให้ร่างกายเป็นตายไปตามธรรมชาติเพราะไม่ได้ปล่อยที่ ที่ตัวที่ไปยึดไปปล่อยตัวที่ถูกยึดคือร่างกายต้องปล่อยปล่อยตัวที่ไปยึดตัวที่ยึดก็คือใจใจไปยึดติดกับร่างกายไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นใจก็เลยอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย แล้วหลังพุทธเจ้าย้อนกลับมาดูก็เห็นว่ากายนี้มันไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือใจที่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจจึงทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอยอมรับว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำยังไงก็ห้ามไม่ได้อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทุกข์ไปเปล่า พ็อก็เลยรู้ว่าต้องเลิกความอยากเลยหยุดความอยากปล่อยให้ร่างกายเขาแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของเขาแต่ขณะที่มันยังอยู่ได้ก็เลี้ยงมันไปตามธรรมชาติเหมือนกันถ้ายังกินได้ก็กินยังดื่มได้ก็ดื่มยังหายใจได้ก็หายใจแต่ถ้ามันทมันไม่หายใจก็ต้องก็ต้องปล่อยมันมันไม่กินก็ต้องปล่อยมัน มัไม่ดื่มก็ต้องปล่อยมันไปไม่บังคับมันใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกยื่นกายอยากดูอยากฟังอยากเิ็มนสดนมกลิ่น เลยต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่แต่ถ้าเลิกหารูปเสียงกดลิ่นรสได้หยุดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ อันนี้เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงตัดจจรู้แล้วก็เลยมาสอนทีคนที่จะรับคำสอนและททำตามได้ต้องมีจิตที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้จิตที่จะหยุดความอยากได้นต้องเป็นจิตที่มีสมาธิเข้าสมาธิได้เพราะการเข้าสมาธิก็เป็นการหยุดความอยากหยุดความคิดนี่เองเวลานั่งสมาธิพุทธโธพุทธโธนี้ เรากำลังควบคุมความคิดความอยากไม่ให้คิดไม่ให้อยากพอเราหยุดความคิดความอยากได้จิตก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันจะสงบได้ชั่วคราวพอกำลังของสติอ่อนลง ความอยากมันก็จะดันจิตให้ออกมาให้ออกจากสมาธิพออยากสมาธิมันก็จะให้ไปหาความรูปเสียงกลิ่นรสอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเป็นการไปหาความทุกข์เพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเป็นของชั่วกราวด้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปก็ความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ ไปเที่ยวก็มีความสุขพอกรรมมาความสุขนั้นก็หายไปพอต้องอยู่บ้านก็ทุกขขึ้นมาต้องออกไปเที่ยวใหม่ถ้าต่อไปไปไม่ได้ก็ทุกเช่นเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บก็จะทุกข์อันนี้คือปัญญาใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ให้กลับมาหาความสุขกับความสงบดีกว่ากลับมาหยุดความอยากด้วยการใช้สติพวกที่หยุดเข้าสมาธิได้ก็สามารถมีกำลังที่จะฝืนสู้กับความอยากได้เวลาอยากเที่ยวก็หยุดมันได้เวลาอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดมันได้พระพุทธเจ้าเลย มุ่งไปหาไปสอนคนที่มีความรู้ความสาสามารถที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมได้ก็ไปแสดงให้กับพระปัญจวัคคีที่เป็นนัก บ, บวชเหมือนพระพุทธเจ้าติดตามพระพุทธเจ้ามาเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าแต่ต้องแยกทางกันเพราะว่าคิดว่าพระพุทธเจ้ า, าล่มสลายในในการปฏิบัติคือ ตอนที่พระ อ, องค์ทรงอดพระกยาหารถึง49วันพอพระองค์ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ทางพระ อ, องค์ก็หยุดหยุดกับมารับประทานอาหารพระปัญจวัคคีย์ก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้ <ừ. S 1> ก็เลยเสื่อมศรัทธาไม่ติดตามไม่ขอเป็นลูกศิษย์อีกต่อไปแยกทางกันไป แต่หลังจากที่ผู้เจ้าได้ทรงคนพบทางสู่การหลุดพ้นพบแสงสว่างแห่งธรรมแล้วคืออริยสัจสี่ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากความอยากเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นความทุกข์ไม่พอเวลาแก่ทุกคนก็ทุกข์กันเวลาเจ็บก็ทุกข์กันเวลาตายก็ทุกข์กัน ถ้าหยุดความอยากได้ก็จะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เลยมาสอนพวกพระปัจวคีพอทรงแสดงธรรมเสร็จทรงแสดงอริยสัจสีทรงแสดงมัจคือเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ก็คือศีลสมาธิและปัญญาพวกปัจจวคีเขามีศีลมีสมาธิแล้วเขาก็ได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้า ว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายคือความอยากต้องหยุดมันต้องไม่ทําตามมันถ้าทําตามมันแล้วมันจะไม่หมดมันจะหมดต่อเมื่อเราไม่ทําตามมันคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็ต้องไม่สูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากถ้าไม่ไม่ไม่สูบตามความอยากเดี๋ยวความอยากก็หมดกำลังต่อไปก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ ถ้าสูบมันก็ต้องสูบไปเรื่อยๆดื่มกาแฟก็แบบเดียวกันถ้าดื่มกาแฟก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆดื่มแก้วนี้หมดแล้วเดี๋ยวความอยากดื่มแก้วใหม่มันก็โผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะเลิกดื่มกาแฟก็เวลาเกิดความอยากก็ไม่ดื่มเหมือนดื่มน้ําเปล่าแทนถ้างร่างกายถ้าร่างกายต้องการน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าไม่จําเป็นจะต้องดื่มน้ํากาแฟ เป็นประโยชน์เหมือนกันร่นางกายขาดน้ําก็ให้น้ําเปล่าอย่าไปให้น้ํากาแฟพอเราไม่ดื่มน้ํากาแฟต่อไปความอยากดื่มน้ํากาแฟมันก็หมดไปอนี่คือวิธีกําจัดความอยากก็คือต้องไม่ทําตามความอยากถ้ามันทรมานก็เข้าไปในสมาธิหยุดความทรมานได้พุโทโธพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกหยุดคิดได้ พอหยุดคิดก็ลืมเรื่องความอยากที่จะดื่มกาแฟเพราะว่าความอยากมันเกิดจากความคิดก่อนพอคิดถึงกาแฟขึ้นมาก็อยากจะดื่มขึ้นมาถ้าไม่คิดถึงมันมันก็จะไม่มีความอยากอันนี้ก็พระพเจ้าทรงสแสดงทำอริยสัจสีให้กับพระปัญจวาคัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีมีความฉลาดมากเข้าใจและ ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ทรงกล่าวออกมาว่าธรรมใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาธรรมอนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือร่างกายเมื่อมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายไปเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้ามไม่ได้อยากไม่ได้ อยากก็ห้ามมันไม่ได้อยากก็ทุกไปเปล่าๆเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพระอญิยกรทัญญะก็เลยได้บรรลุพาริยบุคคลขั้นที่หนึ่งปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ความเจ็บปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้เป็นเพราะว่าท่านมีศีลมีสมาธิแล้วเ ร, เรา ฟังเหมือนกันฟังธทรมันเดียวกันแต่ยังปล่อยไม่ได้ยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่เพรา ะ, ะหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเองยังไม่เห็นคนที่จะเห็นนี้ต้องมีจิตที่สงบแล้วมีสมาธิแล้วเพราะเวลาจิตที่สงบแล้วนี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมามันจะก็เพิ่มขึ้นมามันจะร้อนขึ้นมา จะเห็นโทษของความอยากว่าทําให้ใจร้อนเวลาใจสงบนิจใจจะเย็นพอเกิดความอยากขึ้นมาในิจใจเริ่มร้อนขึ้นมาเห็นไหมคนขับรถกันในวันนี้ใจร้อนอยากจะไปถึงที่จุดหมายปลายทางเร็วๆพอไม่ติดไฟแดงไปติดรถข้างหน้านี้บางทีก็โกรธเกลียดคนขับข้างหน้าขับช้าหน่อยก็อยากแย่ฆ่าเขา วันที่เขากำลังจิวจีกันขับรถไปคุยกันไปคุยโทรศัพท์มือถือไปสนใจกับถนนหนทางคนขับอยู่ข้างหลังก็ราคาญอมันจะว่าคนทุกคนนี่อยู่บนท้องถ น, นนนี่อยากจะไปให้ถึงที่เร็วๆกันทุกคนเอเนี่ยมีปัญหาทางบนท้องถนนมากความโกรธเกลียดกันเจะฆ่ากันบนท้องถนนนี่มีมากขึ้นเพราใจคนร้อนมาก ถ้าอยากจะขับรถต้องใจเย็นๆเพราว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอย่างนี้แล้วก็จะไม่ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบอกต้องไปถึงตามเวลานัดเดี๋ยวนี้เรามีนาฬิกาเราเริ่มใช้นัดกันตามเวลานาฬิกาแล้วเราก็กะเวลาว่าเดินทางจากตรงนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราก็เลยไม่เผื่อเวลาไว้คิดว่าไปมันต้องได้เพราะเคยไปได้ที่วันดีคืนดีรถกันมากรถติดถนนมันเสียรถมันเสีย ไปไม่ได้ทีนี้ก็เครียดขึ้นมาไปไม่ทันนัดในความอยากทั้งนะี้ทำให้ใจร้อนทําให้ใจโกรธแต่คนที่มีสมาธิเขารู้ว่าร้อนยังไงมันก็ไปไม่ได้ถ้ารถมันจะติดถ้ารถมันติดคนมีสมาธิเขาก็นั่งพุโทโธพุโทโธไปนั่งหลับตาไปเช่นติดไฟแดงอย่าไปดูไฟเลยยิ่งดูมันยิ่งนานถ้านั่งพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวมันเขียวล่ะ ใจเย็ยนพอใจเย็ยนแล้วเวลาผ่านไปเร็วเวลาใจร้อนนี่เวลาผ่านไปช้าเลอะเลอทั้งทั้งที่มันก็มันก็ผ่านไปเท่ากันแต่ความรู้สึกในใจเรามันต่างกันใช่ไหมเวลาร้อนเนี่ยดูเดูไฟแดงเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าเราใจเย็ยนๆนั่งคุยกันนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ในีเอาเขียวเออเนี่ย <laughs> นี่คือ ความทุกข์ใจความอยากเกิดจากความทุกข์ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจร้อนทำให้ใจต้องไปทำบาปทำกรรมทำอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าใจสงบแล้วใจเย็นแล้วใจอิ่มจะไม่ต้องไปทำอะไรคนที่มีสมาธิแล้วไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องไปมีอะไรไปได้ไปหาอะไรมาได้มาอะไรมาเท่าไหร่ก็สู้ความสงบไม่ได้ ความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอุตธเจ้าบอกนสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อให้เป็นเพชรก้อนเท่าหัวแม่มือเนี่ยมันก็ไม่ให้ความสุขเท่ากับความสงบได้ได้เพชรมาก้อนขนาดหัวแม่มือหัวหัวนิ้วโป้งเนี่กับอกับได้ความสงบเนี่ยความสงบนี่มันให้ความสุขมากกว่าหลายร้อยเท่าเพชรมันก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเราไปหลงตื่นเต้นดีใจไปกับมันเอง เวลาหิวข้าวกินมันได้เปล่าเวลาโอดยาขาดแคลนไม่มีข้าวนี่ถ้าถ้าเอาเพชรไปแรกเขาไม่เอาก็าไม่ยอมแรกด้วยเพชรป็นก็ไม่มีคุณค่าราคาแล้วละ่ะเวลาอดยาขาดแคลนเขาเก็บข้าวกันไว้ทั้งน่ะเขาไม่เอาเพชรหรอก น, น, นี่คือแสงสว่างแห่งธรรมออริยสัจสี่ทุกสมุ ท, ทัยนิโรธมาก ความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากจะอยากอยากจะแบบความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากใช้สติใช้สมาธิหยุดมันได้ถ้าไม่ถ้ามีแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีกันยังย้ายเลยนี่ให้พิจารณาอย่างนี้จะได้หยุดความอยากต่างๆได้ตอนนี้เราอยากอะไรกัน ก็อยากได้ลาบยศสารเสริญ ส, สุขกันใช่ไหมไม่เห็นว่ามันต้องจากกันไม่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากลาบยศสารเสริญ ส, สุขไปหมดถ้ามีความอยากได้มันก็จะทำให้ทุกขทรมานใจเวลาต้องจากสิ่งที่เรายังอยากได้อยู่ยังอยากมีอยูออ่ถ้าเรามาเปลี่ยนใจเราได้ไม่เอามาละลาบยศสารเสริญ ส, สุขไป หาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าพวกที่เขาไปบวชกันเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขลจากการหาราบยศลรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบนะไปรักษาศสียงไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้พอใจสงบปับ๊บเขาก็หยุดความอยากได้ทีนี้พอเกิดความอยากเขาก็ใช้ปัญญามาสอนะ ไม่ใช่ไปทางสู่ความสุขเป็นทางสู่ความทุกข์ทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียง อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาทุกข์กันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างไม่รู้จกักจบจักสิน้นและผู้ที่สิ่งที่จะหยุดมันได้ก็คือสติกสมาธิถ้าเราพุโทโธพุโทโธได้หยุดความคิดได้ หยุดจิตให้สงบทําจิตให้สงบได้สบายไม่ต้องไปดื่มกาแฟไม่ต้องไปสูบเลยไม่ต้องไปซื้อเพชไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรร้อยแปดพันประการซื้อมาแล้วก็ดีใจดีใจเดี๋ยวเดียวได้ามาปับ๊บเดี๋ยวพอเห็นของใหม่ของเก่าที่มีอยู่นี่ก็ไร้คุณค่านะละไร้ความหมายลนะเดี๋ยวไปเดินตามห้างเดี๋ยวเห็นกระเป๋าใบใหม่ออกมารุ่นใหม่ออกมา ใบที่ถืออยู่นี่กลายเป็นขยะไปละเดี๋วยวใบที่ซื้อใหม่มันก็เป็นขยะต่อไปเยไม่เคยคิดเลยมันกี่ใบเหรอย่างนางมาคอสนี่มีรองเท้าต้องพันคู่มั้งต้องซื้อไปทำไมเท้าก็มีคู่เดียวมันถูกอารมณ์ของความอยากครอบงำมันหลอกเราว่าโอ้สวยงามน่ารัก ได้มาล้ายมีความสุขแต่สุขเดียวเดียวความสุขทางโลกทางราบยกสรรเสริญ็นอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอมีอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นได้ร้อยก็อยากจะได้พันนะได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้าน ยังไม่หมดเนี่ะไปถามเศษรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยว่าตอนนี้ได้กี่หมื่นล้านกี่แสนล้านแลพอหรือยังไ ม, ไม่พอละยังดินหาอยู่นั่น่ะแทนที่จะเวลามานั่งใช้เงินใช้ทองที่หามาได้ดีกว่าตายไปก็ที่ง่ายกว่าอื่นหมดตัวเองไม่ได้ใช้หรอกไม่มีเวลาใช้มีพวกนี้พอหาเป็นแล้วจะไม่รู้จักใช้เงินจะรู้แต่หาเงินอย่างเดียวใช้เงินไม่เป็นพวกนี้ ก็ไม่มีวันที่ใช้เงินที่พอชอบหามากกว่าชอบใช้เวลาได้มาโอ้ดีอกดีใจเวลาใช้เป็นนิเสียดายไม่รู้หาไปทําไมหามาแล้วไม่ใช่หามาให้คนอื่นเนี่ยลูกหลานสบายต่อไปพวกลูกลูกหลานๆเนี่ยไม่ต้องทําหาไม่ต้องหาให้เน็ตให้เหนื่อยมีปู่ย่าตายายพ่อแม่หาให้ นี่คืออริยสัจสี่แสงสว่างแห่งธรรมถ้าใจมีศีลมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเอาแสงสว่างแห่งธรรมนี้มาดับความทุกข์ได้ทำให้ใจที่หดหูนิบานขึ้นมาได้เป็นเหมือนดอกบัวใจที่ทุกข์นี่เหมือนใจหดหูใช่เวลาใจเราหดหูนี่แต่พอวันไหนที่ใจเราสุขนี่มันเบิกบานใช่เบ่งบานขึ้นมา เป็นเหมือนบัวที่ได้แสงสว่างบัวตูมนี่พอได้แสงสว่างมันก็บานออกมาอนี้เป็นพวกแรกที่พรเจ้าทรงมุ่งไปสอนก่อนเลยเพราะว่าได้ผลรวดเร็วเป็นถ้าเป็นเด็กก็เด็กห้องค킹ไปสอนเด็กห้องงก่อนแล้วก็ไปอสอนห้องควีนห้องอะไรต่อไปเพะไอพวกที่ฉลาดน้อยต้องพูดมากขึ้นต้องอธิบายให้มากขึ้นถึงจะเข้าใจพูดคาเดียวไม่เข้าใจ ต้องขยายความต้องวาดภาพบางทีต้องเขียนภาพให้เห็นบนกระดานดำเนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันถึงจะนึกภาพออกนึกภาพเองไม่เป็นบางทีต้องให้ครูเขียนภาพให้เห็นก่อนแต่พวกเด็กฉลาดนี้มันนึกภาพของมันได้อพอพูดปั๊บมันก็นึกภาพขึ้นมาในใจเข้าใจทันทีพวกบัวสี่เหล่านี้ก็คือเหล่าที่หนึ่งก็คือพวกนักบวชทั้งหลาย พวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาสมัยก่อนไม่มีปัญญาไม่เหมือนสมายนี้มีปัญญากันเยอะพวกเรานี่มีปัญญากันนะแต่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิอมีก็ไม่เต็มร้อยมีแบบขาดๆบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีเอวันไหนอยากจะดื่มสุราวันนั้นก็ไม่มีอวันไหนอยากจะไปเที่ยวก็นั้นก็ไม่มีศีล แต่มีปัญญาเราฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกันเราทุกคนรู้ชาวพุทธเรารู้หมดแล้วอริยสัจสี่คืออะไร <Yeah. S 1> ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เราไม่มีมรรคมรรคคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิศีลก็ยังไม่ไม่ได้เต็มร้อยศีล น, นี่จะเต็มร้อยก็ต้องเป็นศีลของนักบวชหรือศีลแปดขึ้นไป <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องมีทุกวันไม่ใช่มีแต่เฉพาะวันพระ รักษาศีลต้องรักษาได้ทุกวันงั้นพวกแรกที่ผู้เจ้าไปสอนก็สอนพวกที่มีศีลมีสมาธิตลอดเวลาอยู่แล้วพวกนักบวชตรงนี้เขาเข้าฌานกันได้เขาเข้าฌานกันทุกวันะเขาไม่ทําอะไรก็ไม่ไปดื่มกาแฟเขาเข้าฌานแทนก็ไม่ไปเที่ยวก็ไม่ไปดูหนังฟังเพลงเขาไปเข้าฌานกันเขาจะออกมาเฉพาะเวลามากินอาหารเท่านั้นเองเวลาไปบินตาบาท เวลามาทำความสะอาดดูแลสถานที่ก็ออกจากฌานมาทำหน้าที่ทางร่างกายพอเสร็จหน้าที่ก็กลับเข้าไปพระบนเขาเนี่ท่านไม่ได้ออกโผล่มาแถวนี้ท่านก็อยู่ที่ที่ปฏิบัติของท่านมีที่ปฏิบัติมีทางเดินจงกรมท่า น, นก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยจเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบจะออกมาก็เดี๋ยวตอนบ่าย มาช่วยกันกวาดลานวัดหน่อยตอนเช้าก็ไปบินตาบาดกลับมาก็ฉันฉันเสร็จก็กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อพวกนี้ก็กำลังสร้างสติสร้างสมาธิเพื่อจะได้เอาปัญญาที่ได้เรียนรู้นี้มาหยุดความอยากต่างๆพอเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์เป็นตายรักเห็นความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็หยุดมันื้นมัน ไม่ทาตามมันอยากจะดูก็ไม่ดูอยากจะฟังก็ไม่ฟังอยากจะลิ่มรส ด, ดมกลิ่นก็ไม่เอาต่อไปความอยากเหล่านี้มันก็หายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วใจก็อยู่อย่างมีความสุขอยู่โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะใจจะสงบที่ไม่สงบเพราะเพราะความอยาก ตอนตอน้นถ้าไม่อยู่ในสมาธิความอยากมันจะทางานอยู่แต่พอเอาคำเอาความอยากออกไปหมดจากใจแล้วไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เพราะไม่มีความอยากมารบกวนใจไม่ต้องเข้าสมาธิใจก็สงบเหมือนกลับอยู่ในสมาธิแต่สงบแบบที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่ไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่รับรู้นะ ก็กำลังจะไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่เล่าเล่าที่หนึ่งให้ทราบนี่พอ พ, พระเจ้าเทศสอนพวกเราที่หนึ่งหมดแล้วกลายเป็นผ้าหลานไปหมดแล้ว ช, ช่วงเจ็ดเดือนแรกนี้มีผ้าหลานปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปละพวกนี้เป็นนักบวชทั้งนั้นอพอพวกนักบวชบวชแล้วทีนี้ก็ต้องไปหาพวกที่เป็นนักบวชเหมือนกันแต่เป็นนักบวชเพิ่งยังไม่ได้สมาธิ นักบวชนี่ก็มีส อ, ละละสองพวกพวกที่ได้ศีลได้สมาธิแล้วพวกที่ยังไม่ได้สมาธิได้แต่ศีลหรือพวกที่บวชใหม่เนี่ยเขาได้ศีลละเขารักษาศีลกันได้รักษาศีลแปรักษาสองศีลสองยบเจศีลสามร้อยกว่าได้แล้วแต่จะอยู่ในสถานภาพไหนถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนแต่รักษาศีลแปได้ก็ถือว่าเป็นนักบวชได้แต่ต้องบวชแบบ ไม่ใช่ บ, บวชแบบเข้าๆออกๆนะบวชแบบถาวรเนชะ่นบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นอะไรเงี้ยก็ถือศีลแปดไปตลอดไม่ใช่วันดีคืนดีก็กลับไปอยู่บ้านนี้ไม่ใชนะ่พวกนี้บวชแบบไม่สึกนะแต่อยเรียกว่าพวกพวกเราที่บัวเหล่าที่สองเนี่ยคือพวกที่บวชเป็นนักบวชกําลังหัดนั่งสมาธิกําลังเจริญสติเหมือนพระที่พระเนนที่อยู่บนเขาเนี่ยก็ เขาเป็นนักบวชแล้วลอย่างน้อยพวกนี้เป็นเป็นเหล่าที่สองหรือเหล่าที่หนึ่งแล้วหรือเป็นพวกบัวบายแล้วก็ได้ไม่รู้อาจจะมีอยู่ตรงนี้เขาเป็นนักบวชแล้วลแต่เขายังอาจจะไม่มีสมาธิยังเข้าฌานไม่ได้เขาก็ต้องพยายามเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้ก็เข้าสมาธิได้ อเข้าสมาธิได้ก็จะมีกําลังสู้กับความอยากพออยากจะสึกก็ไม่สึกเลยเนี่ยบางพวก ส, สู้สู้สู้ความอยากไม่ได้ก็ขอเสกไปก็มีมาบวชอยู่นี่ได้บางทีปีหนึ่งบ้างสองปีมั่งสามปีบั่งแล้วเดี๋ยวสู้ไม่ไหวก็ขอลาศิกขาไปเมื่อว่านนี้ก็มีขอลาไปรูปหนึ่งมาอยู่ได้สามปีก็ แสดงว่ายังไม่ได้สมาธิสู้ไม่ไหวศีลหยุดความอยากไม่ได้ศีลความอยากนี่มันทำให้เราแหกแหกแหกคอกได้ทำให้ศีลขาดได้แต่ถ้ามีสมาธิเราจะสู้กับมันได้นี่พวกที่สองนะพวกที่เป็นนักบวชที่มีศีลพวกที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธินะกำลังฝึกสมาธิอยู่ พวกที่สามก็เป็นพวกที่เป็นพวกที่ยังไม่ได้บวชแต่มีศรัทธามีความเชื่อในคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พวกนี้ก็จะทำบุญทาทานไปก่อนแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขต่างๆก็เอาเงินไปทำบุญทานแล้วก็ รักษาศีลห้าเรียกว่าพวกพุทธศาสนิกชนจะจะทำบุญเป็นเป็นนิสัยแล้วก็รักษาศีลห้าเป็นนิสัยวันพระก็มาซ้อมเป็นนักบวชวันพระก็ไปอยู่วัดนุ่งขาวห่มขา1หนึ่งวันถือศีลแปดหาดนั่งนั่งสมาธิหัดเดินจมกรมฟังเทศฟังธรรมไปเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจทำไปทาไปพอได้ผลก็จะเริ่ม รักษาศี่แปดมากขึ้นตอนตอน้นการทิศละวันต่อไปอาจจะเพิ่มเป็นสองวันสาวันแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ขยับขึ้นไปเป็นนักบวชได้อย่างถาวรนี่ก็มีพ ว, พวกที่สก็คือพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อคำสอนขอยงพระพุทธเจ้าพวกนี้ยังติดอยู่กับการหาราบยศสารเสญสุขเฉลาการวิธีหาความสุขวิธีดับความทุกข์ที่ถูกตั้งก็คือต้องหาเหงิน แล้วก็ได้เงินมาก็ อ, อกไปใช้เวลาไม่สบายใจก็ไปช้อปปิ้งกันไปเที่ยวกันมันจะได้ดับความทุกข์ใช้เงินทองดับความทุกข์กันก็เลยต้องดิ้นหาเงินทองกันพวกนี้ก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลหไม่มีเวลามาทำบุญไม่สนใจเรื่องทำบุญทำก็จะพาาวันสำคัญวันเกิดเอ้ยวันครบรอบอะไรเลยหรือวันสำคัญทางาศาสนาเท่านั้นเอง ทำก็ทำไปอย่างนั้นไม่รู้ทำไปทำไมก็เห็นเขาทำก็ทำกับเขาไปอย่างนั้นแต่ใจล้วไม่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับการทำเหล่านั้นเพราะไม่รู้ว่าทำแล้วได้ผลอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนทำบุญแล้วได้อะไรเขาไม่รู้่ <c oughs> าจจะทำบุญแล้วได้หน้าก็มีบางคนทำบุญแล้วก็ถ่ายรูปไปลงโฆษณาในหนังสือพิม เป็นประชาสัมพันธ์ไปอันนี้เป็นพวกบัวบัวที่ไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้จะไม่เจริญงอกงามเป็นบัวเหล่าที่สามคือจะไม่รักษาศีลห้าจะไม่ทําบุญเป็นกิจจลักษณะทําบุญเพื่อตัดความอยากรักษาศีลเพื่อตัดความอยากเราอยากจะเที่ยวเราก็เอาเงินไปเที่ยวนี่ไปทําบุญแทนต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหายไป เวลาทำบุญเราก็ได้ความสุขความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปซื้อกระเป๋าไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆต่อไปก็จะเปลี่ยนการซื้อความสุขแทนที่จะซื้อความสุขจากการไปเที่ยวจากการซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาเงินไปทําบุญแทนทําบุญแล้วได้ความสุขมากกว่าอิ่มนานกว่าทําบุญไปปีที่แล้วนึกถึงมันยังสุขเลย มีญาติยู่บางคนถวายล้านหนึ่งสร้างกุฏิเนี่ยพอก็นึกถึงเงินที่เขาถวายไปล้านหนึ่งทีลรเขาก็ยังอิ่มอยู่มีความสุขใจขึ้นมาแต่เราซื้อก็เป๋าใบละล้านเนี่ยดูไปแล้วต่อไปดูก็เฉยเฉยดีไม่ดีกังวลสเสียก็มันเก่ามันล้าสมัยนะมันมันหมดคุณค่าราคาแนละ้ว น, นี่คือคนที่ทำบุญทาทานถ้าเขาเข้าใจเขาทาเพื่อที่จะตัดความอยาก เขาก็รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เขาทุกข์พาเขาต้องดิน้นเวียนว่ายตายเกิดแล้วการไม่ทำบาปก็เป็นการที่จะทำให้ใจเราสงบเวลาทำบาปแล้วใจไม่สงบใจวุ่นวายใจวิตกกังวลหวาดกลัวนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าทำบาปแล้วจะจะนั่งสมาธิยากกว่ากับคนที่ไม่ทำบาป อย่างนั้นก็เลยต้องทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไม่ทำบาปแล้วใจจะเป็นปกติแล้วพอวันพระวันหยุดทำงานก็ไปถือศีลแปดไปอยู่วัดกันมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิอาจจะได้ความสงบเล็กเล็กไน้อยอาจจะไม่ถึงกับแบบงูลาบลิ้นถ้าได้งูลาบลิ้นเมื่อไหร่นี้จะเกิดศ ร, รัท ธ, ธามากพอมันได้ลิ้มรสแห่งธรรมละ เป็นครั้งแรกของการได้ลิ้มรสแห่งทําเวลาจิตสงบแบบงูลาบลิ้นเนี่ยมันเหมือนได้ชิมมาหารนะรสเด็ดพอได้ชิมเพียงครั้งเดียวติดใจแล้วที่อยากจะได้กินเยอะๆสั่งมาเป็นจาเนเยอนต้นขอลองช้อนเดียวก่อนขอขอชิมหน่อยก่อนพอได้ชิมแล้วโอ้โหมันวิเศษความสงบนี่มันไม่มีอะไรวิเศษเท่าก็ทีนี้ก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นละ ต่อไปก็อาจจะเพิ่มวันสองวันมีวันหยุดสองวันก็ไปอยู่วัดทั้งสองวันเลยแล้วต่อไปก็อาจจะลดการทำงานให้น้อยลงเพราะไม่ได้ใช้เงินเหมือนเมื่อก่อนลวเมื่อก่อนใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขเหล่า น, นั้นล้วก็ไม่ต้องไปทำงานมากก็ได้อาจจะถ้ามีเงินเก็บไว้พอก็อาจจะลาออกจากงานไปเลยไปอยู่วัดดีกว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่า ก็จะขยับไปจากบัวเหล่าที่ที่สมขึ้นไปเป็นเหล่าที่สองต่อไปก็จะอยู่วัดอย่างถาวรเลยอยู่วัดอย่างถาวรรักษาศีลแปนั่งสมาธิถ้าบวชชีถ้าบวชบวพระก็รักษาศีลสองิบเจดเดินจงกรมนั่งสมาธิเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เลยวก็จะกลายเป็นบัวเหล่าที่1นึ่งพอได้สมาธิขึ้นมา แล้วนะพอ า, อาปัญญาพุทธเจ้ามาใช้ก็สามารถสู้ความอยากต่างๆได้ทำลายความอยากให้หมดไปใจก็บานขึ้นมาเต็มร้อยความเศร้าหมองต่างๆที่ทำให้ใจหดหูนี้จะถูกทำลายไปหมดสิ่งเศร้าหมอง ก, ก็คือความอยากต่างๆที่ถูกทำลายด้วยศีลสมาธิปัญญาของผู้ปฏิบัตินี่คือการพัฒนาการของ ดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกถ้าเรายังไม่ได้รักษาศีลหไม่ได้ทำบุญเป็นนิสัยนีย่เราก็ยังยังไม่ได้เป็นเรายังอาจจะไม่รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาดีพอเราก็ต้องศึกษาว่าทำไมเราต้องทำบุญทำไมเราต้องรักษาศีลการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาทุกขั้นตอนนี้ทำเพื่อหยุดความอยากทาเพื่อต่อสู้กับความอยาก เราอยากใช้เงินไปซื้อความสุขแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเอาเงินนี้มาซื้อมาทำบุญแทนบุญก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งดีกว่าบุญที่ความสุขที่ได้จากการไปซื้อของตามความอยากเปลี่ยนวิธีแล้วก็หยุดความอยากไปในตัวอยากเที่ยวก็ไม่เที่ยวในญาญโยมในปัณษานี้มีคนนึงสองคนแม่ลูกเราตอนต้นกาจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน แล้วก็ก็ฟังทำแล้วว่าอ๋อ น, นี้เป็นการไปสร้างพบสร้างชาติเนี่ยไปทําตามความอยากเที่ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะเที่ยวต่ออีกเวลาตายไปก็อยากจะกลับมาเกิดมาเที่ยวใหม่นแต่ถ้าเอาเงินนี้ไปทําบุญก็จะตัดความอยากเที่ยวไปได้เขาเลยเปลี่ยนใจเขาว่าเอาเงินที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี้มาเป็นเอาเงินใส่บาตรให้พระทั้งพรรษาดีกว่าเขาก็เลยได้ทําบุญทั้งพรรษ า, ท, าทําทีก็เยอะๆเลยถายทีทั้งวัดเลย มาเช้านี้กําลังถามว่าหมดแล้วยังก็ไม่หมดมีใหม่มีมาใหม่อีกเพราะไม่ได้ใช้มากอย่างนี้ไม่ได้ใช้ไปเที่ยวไม่ได้ไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟวยวันนี้ก็บอกว่าจะไปทําบุญที่โรงเรียนผู้รู้ยศสอนเอาอาหารเอาเข้าวสารเอาอะไรไปให้เด็กที่โรงเรียนเด็กโรงเรียนนี้โรงเรียนโรงเรียนการกุศลไม่คิดค่าเล่าเรียนเป็นโรงเรียนกินนอน ไม่คิดค่าเราเรียนไม่คิดค่ากินค่านอนเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอาเด็กมาฝึกฝนอบรมศรีลธรรมคือสอนในแนวพุทธสอนให้รู้จักมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูให้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้รู้จักศาสนาควบคู่ไปกับความรู้ทางโลกพอเดี๋ยวนี้ความทางโลกเขาตัดวิชาทางพุทธศาสนาออกไปหมดแล้ว ก็เลยทรงอยากจะ อ, ะอะเขาเรียกว่ารักษาไว้สมวนพันเดี๋ยวหายหมดเดี๋ยวพวกพุทธบุตรไม่มีแล้ว mm hmm. เด็กสมัยนี้ถ้าไปเรียนโรงเรียนราดที่จะไม่รู้จักพระจากเจ้าแล้วเจอพระนี่ไม่รู้จักว่าไม่รู้จักอะไรดีไม่ดีเดินชนด้วยซ้ํำไปบางทีเดินมาต้องหลบเขาเพราะเขากำลังใช้มือถืออยู่หรือใช้อะไรก็ไม่รู้เขาไม่ได้มองทางแต่ถ้าเด็กที่เขา ไปวัดไปวานี่เขาจะรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเวลาเจอพระนี่เขาจะต้องให้ความเคารพมีสัมมาคารวะต่อผู้ที่มีอวุโสกว่าแต่เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักที่สูงที่ต่างนะอันนี้ก็น่ากลัวดูประเทศที่เขาจเจริญทางวัตถุแต่ทางด้านจิตใจนี่เขาไม่น่าดูเลย สังพจมเด็จพระสังฆราชท่านกา็กนเลยสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาโร ง, งเรียนเล็กๆมีแค่สามชั้นมหนึ่งถึงมสามเป็นโรงเรียนกินนอนมีชั้นละสี่สิบห้าคนสามชั้นก็ร2อยี่สิบกว่า<ม>ก็เอาเด็กที่เขาสนใจอยากจะมาเรียนทางนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะฐานะไม่ค่อยดีแต่มีความประพฤติดีอะไรทำนองนี้ที่ อยากจะมาศึกษาแนวทางนี้ก็รับไว้แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดเครื่องแบบหนังสือที่อยู่อาศัยอาหารทุกอย่างนี้สมเด็จพระสังฆราช ท, ท่านจ่ายให้เองท่านตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วเอาเงินดอกเบี้ยที่ได้จากกองทุนนี้มามาจ่ายค่าเราเรียนค่าใช้จ่ายต่าง แต่ก็ไม่พอตอนนี้ก็ต้องมีญาติโยมไปช่วยกันบางคนวันเกิดก็บางทีก็ไปจัดงานเลี้ยงเด็กที่นั่นเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนเอาส้มตำเอาไก่ย่างเอาอะไรไปเลี้ยงเด็กอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันทําบุญนี้<ม>ทําบุญกับพระก็ได้บุญทําบุญกับเด็กก็ได้บุญเพราะบุญนี้เกิดจากความเสียสละของเราไม่ได้อยู่ที่บุคคลที่เราไปทําบุญด้วย บุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนี้เราได้บุญอีกอย่างหนึ่งคือได้ของแถมของแจกเหมือนเวลาเราไปเติมน้ำมันเนีางทีปั๊มก็มีของแจกให้บางปั๊มก็ไม่มีรมีไม่จกไม่เหมือนกันเราอยากได้ของแจกแบบไหนเราก็ไปเลือกปั๊มที่เขาแจกของแบบนั้นอันนี้ได้จากปั๊มแต่ที่ได้เหมือนกันคือน้ำมันเวลาทำบุญนี่ทำบุญกับใครก็ได้น้ำมัน คืออาหารใจความสุขใจอิ่มใจนี่ได้เหมือนกันแต่บุญที่ได้รับจากปั๊มนี่ไม่เหมือนกันจนมาทำบุญที่นี่ก็ได้ธรรมะกลับไปเป็นของฝากของแจกถ้าไปทำบุญที่โรงเรียนก็อาจจะได้เรียนรู้เรื่องของโรงเรียนเข้ว่าเขาเข า, เขาอยู่ยังไงเขาสอนอะไรวิชาอะไรอย่างนี้ัน้นทำบุญได้ บางทีคนก็มาทมําบุญที่วัดก็เห็นว่าวัดมีมากแล้วมีคนมาทํามากเขาก็เลยเปลี่ยนไปทําที่ขาดแคลนดีกว่าถ้าเขาไม่ต้องการของแถมถ้าเขาต้องการของแถมเขาก็มาทําอีกแบบอย่างเนี้ยมาทําตอนบ่ายก็ได้เนี่ยตอนบ่ายก็ไม่ต้องมาทํากับข้าวกับป่าอาหารไม่ต้องอาหารมาเลี้ยงพระมาก็มานั่งฟังเทศฟังธรรมได้เลยถ้าอยากจะได้ธรรมะ นี่ก็คือเรื่องของการการปฏิบัติทางศาสนาพุทธนี่มีเป้าหมายอยู่ที่การทำลายความอยากทาบุญทาทานก็ทำลายความอยากที่จะใช้เงินไปในทางที่ผิดใช้เงินไปในทางเลี้ยงหล่อเลี้ยงความอยากเพื่อมันจะได้มีกำลังมาลากให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราตัดมันไปไม่ทาตามมันต่อไปมันจะไม่มีกาลัง เวลาเราตายไปจิตมันจะมันจะไม่มีอะไรมาดึงให้มาเกิดแก่เจ็บตายเวลาเราอยากจะทำบาปเราก็ต้องฝืนเหมือนเวลาทำบาปก็ทำด้วยความอยากใช่ไหมยอยากได้เงินได้ทองไม่เงินพองไม่พอใช้ก็ต้องไปขโมยไปโกหกหลอกลวงก็อยากไปทำมันเราก็จะตัดความอยากได้เงินทองในทางที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกไป มันก็จะทำให้ใจเราไม่ทรมานไม่ทุกข์ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปถ้าไปติดอยู่ในอบายมันจะไปนิพพานไม่ได้ก็เลยต้องรักษาศีลรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลแปดเพิ่มเพิ่มเพิ่มการหยุดความอยากให้มากคือศีลห้าหยุดได้ห้าห้าอย่างแต่พอศีลแปดนี้หยุดได้เพิ่มอีกสามอย่าง สี่อย่างเพราะศีลที่สามก็เปลี่ยนจากการประพฤติผิดประเวณีมาเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครนถ้าถือสินแปก็ไม่ไม่ให้มีความอยากร่วมหลับนอนกับใครอยากก็ไม่ให้นอนด้วยอยากกินอาหารเย็นก็ไม่ให้กินอยากไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ให้ไปอยากไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรทั้งหลายก็ไปไม่ได้ถ้าถือสินแปะเลย อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากก็ไม่ได้อยากจะนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆก็ไม่ได้เดี๋ยวนอนมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิเดินจบกรมนี่เป็นวิธีกําจัดความอยากต่างๆนักษาสศีลก็กําจัดมันตัดมันแต่ไม่ได้กําจัดมันอย่างถาวรเพียงแต่ถ้าเป็นต้นไม้ก็ตัดกิ่งตัดใบแต่ยังไม่ได้ตัดต้นยังไม่ได้ถอนหนากถอนโคน ถ้าจะตัดต้นก็ต้องนั่งสมาธิถ้าอยากจะถอนรากถอนโคนก็ต้องใช้ปัญญ า, าต้องเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไตรลักษเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถถอดถอนความอยากที่มีในใจให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่อยู่แบบไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย ถ้ายังมีความอยากก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่พระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่พระสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่หลวงปู่หลองตาที่จากพวกเราไปท่านก็ยังอยู่แต่ท่านอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายปู่ยาตายายของเราที่ตายไปท่านก็ยังอยู่แต่ท่านอยู่ก็อยู่แบบรอรอรับร่างกายอันใหม่อ่ช่วงที่รอรับร่างกายก็าอาจจะไปรอที่สวรรค์ถ้ามีบุญส่งไปถ้า ถ้าไม่มีบุญส่งไปมีบาปส่งไปก็ไปรอที่นรกบ้างที่เปรตบ้างที่อสูรรกายบ้างหรือที่เดรัจฉานบ้างจนกว่าจะได้ร่างกายมนุษย์ใหม่ก็กลับมาหาราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามถ้าไม่มีพบปะพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีวันที่จะดุด การเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่มีศาสนาไหนรู้วิธีหยุดนั่นเองมีศาสนาพุทธนั่นที่จะรู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. พวกเราเกิดมาชาตินี้ก็ถือว่าโชคดีมากเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึง่งดังนั้นเราก็พิเช็คตัวดูวเองดูก็แล้วกันว่าเป็นวัวเหล่าไหนแล้วรีบปรับปรุงแก้ไขซะ ถยังเป็นมวมใต้บัวอยู่กับโคลนกับตม้มเป็นพวกอาหารปูปลาอยู่ก็รีบเริ่มมารักษาศีลเริ่มมาทำบุญให้เป็นนิสัยซะถ้าทำบุญเป็นนิสัยแล้วรักษาศีลเป็นนิสัยแล้วก็ทำให้มากขึ้นขยับขึ้นไปจจากศีลห้าเป็นศีลแปดถ้าถ้าเป็นนักบวชแล้วก็พยายามเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบให้ได้ ใจสงบแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หมดเอาปัญญาของมุตเจ้ามาใช้พิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วจะต้องเสียใจยาเอามาดีกว่าก็จะหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้หมดไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปเกิดคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความจริงต้องให้พอรอีกอย่างหนึ่งนะยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกปรปัรปฏิ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 อาพิวาทะนัสีลิศะนิจังวุฒาปจายโนจตารุทามาวาทาติอายุว <c oughs> <c oughs> oh, ันสุขังภลังอ้าวยากจะถามอะไรนะเอาเลย หลังๆน er ี่ก anyway. um ็พอวันสองวันที่มาเนี่ยมีแต่ยิวรกุ้มรุมเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวอะไรไม่ไม่เหมือนอารมณ์จุกจิกก็เพราะว่าเราไม่ควบคุมจิตเราไม่ควบคุมด้วยสติปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งมันก็เลยทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมานะเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวกังวลอ่าใช่เราต้องหยุดมันจะใช้พุทโธพุทโธหยุดมันเวลาจะไปกังวลอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไป นี่นก็ฝึกสติไปให้มากๆพยายามควบคุมความคิดอย่าให้คิดบางครั้งก็ดีด MM> ีครัอันนั้นมันอันน okay ั้นมันเป็นเรื่องของสภาพของจิตใจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่ไม่แน่นอนแต่เราสามารถทำให้มันแน่นอนได้ด้วยการใช้สติค yeah, ุมมันถ้าเรามีสติต่อไปมันก็จะว่างจะเย็นจะจะสบายไม่ จะไม่มีเรื่องรุ่มร้อนไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเข้ามาลบกลดแต่ถ้าเราปล่อยให้ไปตามแบบยถากรรมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีฉะั้นถ้าเราอยากจะควบคุมใจให้สงบเรื่อยๆเราต้องมีสติเป็นตัวควบคุมบริกรรมพุทโธไปหรือคอยดึงมันให้อยู่กับกิจกรรมที่ร่างกายกำลังทำอยู่ กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี้ให้มันเฝ้าอยู่กับการอยู่กับกิจกรรมอันนั้นอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปก็ดึงกลับมาบอกกำลังแปลงฟันอยู่ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังอาบน้ำให้อยู่กับการอาบน้ำกำลังรับประทานอาหารกาลังเดินไปทนานูน่นทานี่ให้อยู่กับกิจกรรมที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ถ้ามันดื้อมากก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาดึงกลับมาถ้ามันไม่ดื้อมันไม่ไปก็ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้เพียงแต่ให้เฝ้าดูกิจกรรมของร่างกายไปอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเมืม่อเช้ามีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งก็้ามาถามว่าจะกําหนดวิธีปฏิบัติเวลาไหนบ้างก็เอาตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละถ้าจะปฏิบัติจริงๆมันปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับพราะการจเจริญสตินี่เราสามารถ จเจริญได้ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้กันเท่านั้นเองเราคิดว่าจะมาจะเจริญตอนที่นั่งสมาธิเท่านั้นถึงค่อยมาพุโทโธตอนนั้นไม่ทันกินแะ้วเพราะมันจิตมันคิดซะคล่องแคล่วว่องไวพอจะมาพุโทโธสองธรรมมันก็ถีบพุโทโธทิ้งไปแล้วเราต้องใช้พุโทโธดึงมาสู้กับความคิดจนกว่ารเราควบคุมความคิดได้ ถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องพุทธโธก็ได้ถ้ามันอยู่กับกิจกรรมของร่างกายเราก็ไม่ต้องไปพุทธโธและเวลาเมื่อเราพอเราเวลามานั่งเราก็จะได้อยู่กับปิอยู่กับลมหายใจได้อยู่กับพุทธโธได้มันจะไม่ไปที่อื่นแล้วมันก็จะสงบได้อย่างที่คุณเคยสงบนะอืนนีข้อสองครับตอนนี้เคยถามพระ อ, อาจารย์มเมื่อสปีที่แล้วว่าความวุิยะเนี่ยมันน้อยยิ่งหลังๆเนี่ย มีทั้งไลน์มีทั้งเฟซบุ๊กนี่มันดึงกิเลสมันดึงเวลาที่จะมาปฏิบัติธมเนี่ยออกไปเยอะแล้วต้องมีกฎระเบียบสิมันโรงเรียนกินนอนใช่ไหมก็มีกฎระเบียบไม่ใช่ปล่อยให้เด็กนักเรียนทําตามอะไรที่เขาอยากจะทําเห็นเราต้องมาวิเคราะห์กิจกรรมที่เราทําว่าอันไหนเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์อันนะั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่จําเป็นตัดมันไปอย่าให้มันเข้ามาต้องตั้งเราต้องมีกฎระเบียบในตัวเราคือมีวินัย ถ้ามีวินัยแล้วเราก็จะกั้นในพวกของที่ไร้สาระเข้ามาได้อย่างไปวัดป่ามัตาสมัยที่ไปบวชใหม่ๆไปอยู่วัดป่ามั่นตงหลวงตาห้ามโทรศัพท์ห้ามวิทยุห้ามทีวีห้ามหนังสือพิมพ์ให้เข้าวัดสมัยนั้นไม่มีมือถือถ้าสมัยนี้มีมือถือถ้าหลวงตายังอยู่ก็คิดว่าห้ามเอามือถือเข้าวัดแน่นอนเพราะท่านห้ามโทรศัพท์ มือถือมันเป็นทั้งโทรศัพท์เป็นทั้งโทรทัศน์เป็นทั้งวิทยุมันเป็นทุกอย่างอ่ะมันเครื่องมือของกิเลสล้นลวนๆเลยรู้เปล่าไ <c oughs> ม่ใช่เป็นเครื่องมือของธรรมเนี่ยอาจารย์เคยใหาคตอบเมื่อครั้งที่มาถามว่าไม่มีเวรยัอาจารย์บอกว่าให้เจริญอิติปาิมากสติไงคือถ้าเรายังไม่ได้ผลนี่จะไม่มีจะไม่มีไม่มีวรยะคือเราต้อง <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วมันจะมาเองถ้าเรานั่งแล้วสงบนี่มันอยากจะสงบเรื่อยๆที่มันก็จะขยันนั่งขยันปฏิบัตินแต่ถ้ามันนั่งแล้วไม่สงบมันก็ท้อแท้เหมือนทํางานแล้วไ ม, ไม่ได้เงินเดือนจะไปทําทําไม ท, ำทำไมําได้สักพักก็ลาออกจากงานแล้วเขาไม่จ่ายเงินเดือนให้เราก็ที่เขาไม่จ่ายเพราะเราไม่มีผลงานให้เขาอันส่วนหนึ่งที่จะเกิดวิริยะขึ้นมาก็คือ เกิดจากการที่เราได้ผลจากการปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการได้ยินได้ฟังคุณประโยชน์ของการปฏิบัติว่าผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความเพียรที่จะปฏิบัติการฟังเทศฟังธรรมนี้บางทีได้ฟังผลของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาจากความเพียรของท่านมันก็ทำให้เราเกิดศรัทธาอยากจะเพียรเหมือนท่านบ้างนั้นก็ต้อง คอยฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้ผู้ที่เขาได้ผลมาแล้วเขาจะอธิบายว่าผลนี่มันวิเศษอย่างไรอแต่ถึงแม้ยากจะยากอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเพียรพยายามไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ผลเองมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่ทําความเพียรหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องมีวินัยบังคับเหมือนว่าต้องมีตารางปฏิบัติเวลานี้ต้องปฏิบัติน ไม่ทำอย่างอื่นเราต้องมีเหมือนคนที่ไปเข้าคอร์สเ็ขาไม่มีวินัยตัวตัวเขาเองก็ เ, เลยต้องไปเข้าคอร์สวิปัสสนาปฏิบัติธรรมเตินหกมองเดินจงกรมนั่งสมาธิไหวพ้พระสวดมนต์พักรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อมีคนคอยคุมมีคนคอยฉุดคอยลากแต่มันก็ทำได้ชั่วคราวเท่านั้นคนที่ฉุดจะลากได้ ที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานี่เองเราต้องมีวินยัยต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโทแต่ถ้าเรายังไม่มีก็ไปอาศาัยคนอื่นเขาก่อนให้เขาช่วยลากเราไปก่อนเหมือนรถที่มันสตาร์ทเองไม่ได้ก็ให้เขา เ, าเข็นลากให้มันวิ่งไปก่อนแล้วค่อยกระตุกให้มันสตาร์ทขึ้นมาพอามันสตาร์ทวิ่งได้แนละ้วทีนี้ก็ไม่ต้องให้คนคอยเข็นคอยลากแนละ้วก็นี่คือวิธีต่างๆต้องอยู่กับคนที่เขาปฏิบัต คนที่เขามีผลจากการปฏิบัติแล้วจะทำให้เรามีกำลังใจมีวิทยามีความเพียรแล้วอยู่กับคนที่เขาปฏิบัติคนหนึ่งเขาปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติล้วก็รู้สึกว่าเราแย้เราแย่เราก็จะทำให้เราต้องบังคับตัวเราเองเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้าอยู่คนเดียวนี่กิเลสมันเอาไปกินหมดสู้มันไม่ได้บางทีมันหลอกเราสนิทง่ายได้เดี๋ยวปวดท้องงเดี๋ยวเจ็บเท้างเดี๋ยว เป็นนุ่มหนาวเกินไปบ้างอิ่มเกินไปบ้างหิวบ้างมีเหตุที่จะทําให้ไม่ปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยเอา่าไทยคนนี้เลยวันนี้เขามีรู้สึกเขามีเครื่องของเขาแล้ว <c oughs> เขาสตาร์ทเองได้นะะ <c oughs> เข้ามาของเขาอยู่เรื่อยถึงเวลามีที่ว่างเม่อไร่เข้ามาเลย เนี่ยตรงนะีนะน<ม>ีพวกบัวที่เป็นอาหารปูปลาเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนถึงต้องไปหาสิ่งแวดล้อมที่ดีท่าเรียกว่าให้คบบัณฑิต <c oughs> อย่าไปคบคนพาณนนิบัณฑิตก็คือพวกบัวสามเหล่าเนี่ยพวกคนพาณก็พวกบัวเหล่าที่สี่บัวที่อยู่กับคนกระตมเนี่ยอย่าไปพบกับพวกนี้คบกับพวก สมพวกนี้พวกที่ชอบทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็จะดึงไปอ่าดีก็คงไม่ไหมถ้าปทัททะปลามาปัจจนี้คงไปนั่งกินเหล้าแถวชายหาดพัทยาแล้วถ้าไ่นั่งกินเหล้าแถวชายหาดพัทยาเนี่ยปะททนะแน่ <c oughs> แต่ได้ยังมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรนี้ก็อย่างน้อยก็ขั้นที่ขั้นที่วัวขั้นที่สามเนี่ยไม่ไม่ใช่ขั้นที่สี่าอ อ, นอ่นั่นแหละล<ๆ>ิสายเดิมมันยังอาจจะมีอยู่ยังไม่กลายพันร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องพยายามฝืนมันอย่างนี้เราเรู้ว่านี่อะไรถูกอะไรผิดเวลามันจะดึงเราไปในทางที่ผิดเราก็ต้องฝืนมันไม่มีใครดึงเราได้หรอกเราต้องดึงตัวเราเอง คนพาณที่ข้างนอกสู้คนพาณที่ข้างในไม่ได้ในตัวเรานี่ก็มีคนพาณิชไอตัวเนี้มันจะเป็นตัวฉุดรากเราไปง่ายกว่าคนที่อยู่ข้างนอกบัณฑิตก็มีในตัวเราเหมือนกันพยายามปลูกบัณฑิตขึ้นมาสปิปลุกความอยากไปปฏิบัติธรรมความอยากที่จะไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นบัณฑิตพวกบัณฑิต บัณฑิตนอกฤทธิคนพา น, นิชย์นอกเราไม่ได้เจอมันตลอดเวลามันไม่ใกล้ชิดเหมือนกับบัณฑิตในกับคนพานิชในมันอยู่กระซิบอยู่ในใจเราตลอดเวลาออไปดื่มเบืยรดีไหมไปเที่ยวดีไหมไปซื้อกระเป๋าดีไหมออมันคอยกับซิบถามเราอยู่เรื่อยหมดแล้วใช่ไหมคำถามออนั่นซื้อค้าวมันสิออข้าวได้ไม่ไม่บาป ค่ากิเลสไม่บาปค่าความอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ตกนรกรับประกันได้ไปสวรรค์ได้เพราะจะเอาเงินนี้ไปทำบุญแทนเขาก็ถวายอาหาร ท, ที่วัดทุกวันจันอ๋อได้ถูกก็มีกลุ่มหมออยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็ทำบุญทุกวันทำจาดอาหารมาถวายวัดทุกวัน <c oughs> มันมันควรจะหาสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ที่ไปให้ไปเพื่อให้กําจัดความสงสัยว่ามีจริงหรือไม่อย่างน้อยก็ไปดูสร้ากก็ยังดีถึงแม้จะไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นสร้าง <c oughs> เห็นสถานที่ท่านเกิดท่านแสดงธรรมท่านตรัสรู้ท่านนิพพานมันจะได้ทําให้เราเชื่อ จะได้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติตามได้อเอาทางบ้านมั่งคำถามจาก Inbox ค่ะจากคุณวีรยุทธ์ขณะผมเดินจงกลมใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพอเดิน จ, จนจิตรวมเป็นสมาธิจิตก็เกิดคำบริกรรมขึ้นมาเองโดยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบริกรรมว่าพุทโธโลเก ซึ่งตอนนั้นก็งงแต่ก็ลองบริกรรมตามไปดูให้เข้ากับจังหวะการเดินใจก็สงบดีถามอย่างนี้ดีหรือไม่เราควรจะใช้คำบริกรรมที่เกิดเพื่อนจากจิตนี้ต่อไปหรือไม่ครับก็ได้ทั้งนั้นเน่ก็ตามได้ที่จิตสงบจิตไม่คิดปุงแต่งก็ใช้ได้อันไหนมันมันถนัดกว่าเราก็ใช้อันนั้นมันง่ายกว่าเราก็ใช้อันนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นของเดิมที่เรามีอยู่ในจิตแล้วมันพอ เราไปกระตุ้นมันมันก็โผล่ขึ้นมาชาติก่อนเราอาจจะเคยใช้พุโทโธโลเกแทนที่จะใช้พุโทโธอย่างเดียวพอใช้พุโทโธพุโทโธไปพอจิตสงบมันก็ไปไปไปดึงไอ้พุโทโธโลเกขึ้นมาอย่างถ้าอันไหนมันมันง่ายมันถนัดก็เอาอันนั้นก็แล้วกันแต่ต้องดูที่ผลด้วยว่ามันทําให้จิตสงบหรือฟุ้งซ่านคําถามจากเฟซบุ o กไลฟ์จากคุณซีเจจิ้นี่ เรียนยานสิบหกชานสิบหกนะคเรียนยาน เ, ยเรียนชาญสิบหกแล้วเหมือนทำให้หลงได้ง่ายเพราะมัวแต่เดาหรือหลงอยู่ว่าเราอยู่ชาญไหนใช่ไหมคะแล้วควรศึกษาอย่างไรให้ถูกทางและไปได้เร็วคะคือศึกษาวิธีที่จะเข้าชาญก็พอส่วนชาญ น, นั้นไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวถึงเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิบัติไปแล้วมันก็จะพาเราไปพบมันเอง ไปนั่งคิดนั่งคาดแบบว่าอุดร อ, อยู่ที่ไหนเชียงใหม่อยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างถ้าไม่ออกเดินทางไปมันก็ไปไปไม่ถึงอุดรไปไม่ถึงเชียงใหม่แล้วขอให้รู้ทางไปอุดรประทางไปเชียงใหม่ก็พอพอไปถึงอุดรถึงเชียงใหม่ก็จะรู้เองไม่ต้องไปอ่านรายละเอียดให้มันเมื่อยปากให้มันเมื่อยเปล่าๆยังให้รู้จักวิธีไปก็พอวิธีไปก็คือให้มีสติมีพุทธโธพุทธโธอย่าคิดปรุงแต่งนั่งมากๆ แล้้ววเเเดี๋ยมันก็ขาาาสู่่ตงงๆอคําถามจากคุณอรไทยโยงขอเมตตาช่วยชี้แนวทางในการอยู่คนเดียวอย่างไรให้มีความสุขตลอดเวลาเจ้าคะก็ต้องควบคุมความคิดความอยากให้ได้ทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ดีกว่าอยู่กับคนนั้นคนนี้ความสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ถ้าไม่มีความสงบเราจะอยู่ไม่ได้มันจะเหงามันจะว้าวเวมันจะหงดเหงิดอลำคาญใจคำถามต่อไปค่อนข้างยาวขออนุญาตขเอนุญานะคะอาคำถามก็พ อ, อ, อคำถามจากคุณจิทาเขาจะเล่านิดนึงก่อนว่าออขอถามเรื่องการปฏิบัติค่ะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้มีโอกาสไปวัดปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดกับคุณแม่ตอนนั้นยังเด็ก อ, อ, อารมณ์ตอนนั้นไม่ค่อยสนใจด้านนี้เท่าไหร่แต่วันหนึ่งขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่กลับเกิดอ า, อาการเข้าใจในธรรมะของพระพุทธองค์แบบลึกซึ้งอารมณ์ที่เคยโกรธง่ายที่เกียดหงุดหงิดที่รังคาญหายไปหมดค่ะแล้วเขาก็มาพูดถึงเรื่องออช่วงปัจจุบันว่าแต่หลังจากนั้นเริ่มมีกิเลสเข้ามาเพราะสะภาพแวดล้อมเราอยู่แบบไม่ระวังตัวเลย และไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติต่อเ น, นื่องแล้วอารมณ์นี้ก็ค่อยๆเสื่อมหายไปค่ะแต่ทุกปัจจุบันนี้ปฏิบัติสมาธิฟังธรรมแค่ไหนปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนสมัยเด็กๆเลยค่ะขอแนวทางปฏิบัติจากพระอาจารย์ด้วย ค, คือเวลาฟังขอให้ลืมอดีตที่เราได้มาอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนอดีตเพราะมันจะไม่ได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน อยากจะให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันนี้จิตต้องตั้งใจฟังเหมือนสมัยที่เราฟังครั้งแรกนั้นสมัยนั้นเราตั้งใจฟังพอตั้งใจฟั ง, ง, งมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาแต่สมัยนี้ฟังแล้วมันไม่ตั้งใจฟังมันไปคิดแต่ถึงว่าอยากจะให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วเหมือนสมัยก่อน20ปีก่อนจิตพอไปอดีตแล้วการฟังธรรมจะไม่เกิดประโยชน์เลยการฟังธรรมจะเกิดประโยชน์ก็ต้องอยู่ในปัจจุบันจิตต้องสงบ ไม่คิดปรุงแต่งการฟังธรรมท่านท่านก็บอกว่าต้องมีศีลสมาธิศีลก็คือร่างกายต้องอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหววาจาไม่พูดนี้เรียกว่าศีลสงบกายสงบวาจาเรียกว่าศีลสงบใจก็คือไม่คิดปรุงแต่งไม่คิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้คิดอยู่กับธรรมที่เรากําลังฟังอยู่ในตอนนี้ถ้าฟังไปแล้วเราพิจารณาตามเหตุตามผลที่ ทำได้แสดงไว้มันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมางั้นการฟังธรรมในปัจจุบันคิดว่าฟังผิดฟังแล้วก็อยากจะให้มันเหมือนอดีตที่เคยฟังมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องฟังแบบสมัยที่เป็นอดีตคันในในอดีตตอนนั้นฟังแบบปัจจุบันไงฟังแบบตั้งใจฟังไม่ไปคิดถึงอะไรก็เลยเข้าใจเกิดดวงตาเห็นธรรมเข้ามาทันทีงั้นขอให้หัดฟังธรรมใหม่นะ ขอให้ตั้งใจฟังอย่าทำอะไรอย่าพูดอะไรอย่าคิดอะไรถ้าจะคิดก็คิดอยู่กับธรรมที่เรากำลังทา mm hmm. กำลังฟังอยู่ mm hmm. พิจารณาตามแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนคํถาถามจากคุณทีการทำสมาธิคือการหยุดความคิดให้ได้ใช่ไหมคะอ่าหยุดความคิดทาใจให้นิ่งคาถามจาก YOO youtube ค่ะจากคุณไอซ์เฟอร์ี่ค่ะ กลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูภาวนาพุทโธขนาดนั่งสมาธิความคิดเข้าแทกเยอะมากเรื่องบางเรื่องผ่านและลืมไปแล้วกลับผุดขึ้นมาอีกหนูพยายามเหยียบเบรกแล้วหลายครั้งแต่เอาไม่อยู่หนูเดินตรงกรมไม่มีปัญหาค่ะความคิดไม่แท่แต่พอนั่งสมาธิปัญหาเดิมก็เกิดขึ้นอีกกลับขอคำแนะนาด้วยค่ะให้เดินมากๆไปก่อนเพราะว่าพอเวลามานั่งแล้วบางทีมัน มันขี้เกียจมันหยุดพุดโทโธความคิดก็แทรกเข้ามาเอาน็นพยายามเดินให้มากๆเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปก่อนจนกระทั่งจิตมันเหนื่อยแล้วเวลามานั่งมันก็จะไม่คิดมากคำถามจากลายค่ะพระอาจารย์พูดถึงการถือศีลแปอยากจะถามว่าข้อที่เจ็ดยังสามารถอ่านหนังสือได้ใช่ไหมคะ ไม่ใช่หนังสือนวินวนิยายหรือประเภทบันเทิง อ, อ๋อต้องเป็นหนังสือธรรมะอย่างเดียวถ้าศึกษาธรรมะได้ฟังเทศฟังธรรมได้คาถามจากเบสเลไลค่ะจากคุณจิดาภา อ, อ, อยากถามว่าตอนภาวนารู้สึกว่าตัวเองมีจิตสองดวงอีกดวงหนึ่งจะคอยแนะนำและเตือนสติเราตลอด อยากถามว่าจิตดวงนี้คืออะไรแล้วเราจะเชื่อจิตดวงนี้ได้หรือเปล่าเจ้าคะเวลาภาวนาเนี้เราอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วจิตสองดวงนี้มันก็จะสงบไปนะถ้าเวลาเรานั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการที่จะไปรับรู้เรื่องของจิตเลยเราต้องการหยุดจิตจิตเรานี่มันคิดไปในสองทางสามทางได้คิดไปในทางดีก็เป็นดวงหนึ่งคิดไปในทางไม่ดีก็เป็นอีกดวงหนึ่ง อันนี้ต้องรออยู่ขั้นเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วพอจากสมาธิมาจิตดวงเนี่ยบอกไปดื่มกาแฟดีไหมจิตอีกดวงบอกว่าไปดื่มน้ําเปล่าดีกว่าอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดู ว, ว่าดวงไหนจะถูกถ้าไปดื่มกาแฟมันก็จะติดมันก็จะทุกข์เพราะจะต้องดื่มเรื่อยๆแต่ถ้าไปดื่มน้ําเปล่ามันไม่ทุกข์เพราะมันจะไม่ติดมันจะดื่มเพราะมันหิวหิวน้ํา ก็ให้ใช้ก็ให้เลือกเอาจิตที่เป็นประโยชน์จิตที่ที่ดีคือความคิดที่ดีคิดไปในทางดีอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยนี่แบบบัณฑิตไงกับคนพาณเนี่ยคนพาณจะชวนเราไปทางกิเลสความคิดของเรานี่คิดไปในทางกิเลสก็จะเป็นพวกพาณิถ้าคิดไปในทางธรรมมันก็เป็นพวกบัณฑิตย้นเวลาที่นั่งสมาธิอย่าไปสนใจ มันแสดงว่าจิตยังคิดอยู่ให้พยายามอย่าไปสนใจให้ให้ให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธรูร้ลมหายใจอย่าไปสนใจมันยังแทรกเข้ามาได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปสนใจถ้าเราอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องเดียวความคิดต่างๆมันก็จะหายไปเองคำถามจากคุณพรเทพโยมรู้สึกว่าคนรอบข้างโยมหลายคนคุยมากไม่มีสาระเสียเวลาอย่างนี้เป็นเพราะจิตโยมไม่สงบ ไม่เป็นสมาธิหรือเปล่าจึงยังรู้สึกลำคาญเสียงเหล่านั้นจิตที่ถูกคืออย่างไรคะใช่ถ้าจิตที่สงบจริงเป็รู้แบบขาจริงจะเฉยเฉยจะไม่ลำคาญกับลูกเสียงกลิ่นนอที่มาสัมผัสรับรูบ้นั้นถ้ามันไม่สงบก็ใช้พุโทโธเวลาลำคาญกับใครก็เราก็พุโทโธพุโทโธไปเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิไม่ไปสนใจกับเรื่องของเขาแล้วเดี๋ยวใจเราสงบแล้วก็จะไม่ไปวุ่นวายไปกับเขา คำถามจากคุณโจผมนั่งภาวนาพุโทโธอย่างเดียวจิตไม่สงบครับต้องอาศัยการพิจารณาธาตุขันด้วยสลับกันจิตจึงจะสงบครับอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติถูกไหมครับก็ถูกก็ใช้ปัญญาช่วยก็ได้ถ้าสมา ถ, ถ้าใช้สติไม่ไหวเราใช้ปัญญาเป็นก็พิจารณาธาตุขันไปพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาการสาสองไปมันก็จะทําให้ใจหายฟุ้งซ่านได้ พอหายฟุ้งซ่านแล้วเราค่อยกลับมาพุโทโธต่อแล้วดูลมหายใจต่อเพราะมันยังไม่สงบเต็มร้อยได้มันจะสงบเต็มที่มันต้องเพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคําถามจากคุณนันทะชะพรร่างกายเจ็บป่วยทําให้จิตใจอ่อนแอจิตเพ่งที่ความเจ็บปวด ควรจัดการกับติดอย่างไรดีเจ้าคะไม่ควรเพ่งที่ความเจ็บปวดเพราะยิ่งจะทาให้จิตอ่อนแอมากขึ้นเพราะจะเกิดความอยากให้มันหายแล้วมันจะทรมานใจมากขึ้นเพราะความอยากควรให้เพ่งอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจอยู่กับความบริกรรมไปจะดีกว่าดูลมคงจะดูไม่ไหวให้บริกรรมพุโทโธให้ถี่เบเลยอยากไปให้คิดถึงความเจ็บเลยแล้วความทรมานใจก็จะลดลงไปแล้วกําลังใจก็จะมีมากขึ้น จะทำให้อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้คำถามจากคุณสงสีกรับเรียนถามเจ้าค่ะเมื่อเราเข้ากรรมาฐานแบบปลีกวิเวกด้วยตัวเองเมื่อเราจะทานอาหารเราต้องปัจเจเวกด้วยหรือเปล่าคะปัจเจเวกันก็คือการปัจเจเวกันคือการพิจารณาเหตุผลของการรับประทานอาหารว่าเรารับประทานเพื่อใครรับประทานเพื่อร่างกายหรือรับประทานเพื่อใจรับประทาน เพืใจก็คือรับประทานเพื่อความอยากอยากกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนีน้ต้องแบ่งอาหารชนิดนั้นแยกออกไปอของค้าวก่อนของหวานค่อยตามมาทีหลังขนมค่อยตามมาทีหลังเครื่องดื่มค่อยตามมาทีหลังอันนี้เป็นกินแบบกิเลสแต่ถ้ากินแบบร่างกายกินแบบธรรมะก็อาหารอะไรก็ปนกันรวมันเข้าไปในภาชนะอันเดียวคุกมันเข้าไปเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันที่ท้องอยู่ดีใช่ไหม อาหารข้าวหวานขนมนมเนยอะไรต่างเดี๋ยวมันไปที่ไหนมันก็เข้าไปในท้องนะเวลาอยู่ในท้องมันน่าดูไหมะแต่มันเป็นประโยชน์ไหมนะเ ห, หมถ้าเราจะกินเพื่อร่างกายเราก็ต้องคุกมันก่อนอกินเพื่อข่ากิเลกก็ต้องคุกอาหารถ้ามันยังจู้จี้จุกจิกถ้ายังอยากจะกินอาหารชนิดนั้นก่อนชนิดนนทีหลังจานก็ต้องสะอาดไม่เปื้อนอาหาร ชนิดนั้นแล้วนี่เรื่องของเรื่องของกิเลสเท่านั้นเพราะในที่สุดมันก็ไปรวมอยู่กันที่เดียวใช่ไหมมันก็ไปรวมกันอยู่ในท้องหรือให้ดูสภาพของอาหารเวลาเรากินจะได้ดับความอยากได้อย่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเนเวลาเคี้ยวอร่อยไหมเนี่ยกําลังเคี้ยวผสมกับน้ําลายเนี่ยอร่อ ย, ออยก็ควรจะคายออกมาดูหน้าตามันหน่อยดูหน้าตามันเป็นยังไงแล้วลองตักเข้าไปกินใหม่ดู ต่อไปมันจะได้ไม่อยากกินจะได้กินเพื่อเพื่ออยู่ไม่ได้กินเพื่อด้วยความอยากนี่คือวิธีพิจารณาอาหารที่เรียกว่าปเจกเกเวสอันนี้ภาษาบาลีแล้วก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้คือให้พิจารณาว่าอาหารนี้เป็นธาตุสี่เป็นเหมือนน้ํามันรถจะยี่ห้อไหนมันก็เข้าไปในถังมันก็วิ่งได้เหมือนใช้ใช้ได้เหมือนกันยังต้องจู้จี้จุกจิกต้องเลือกปมนูน้นตามนี้ให้เหนื่อย เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ปัม๊มที่เราอยากจะเติมนะ้ำมันก็ไม่ก็จะยุ่งหนิแต่ถ้าเราเติมปั๊มไหนด้มันก็สะดวกอาหารก็แบบเดียวกันถ้าเรากินนะอาหารชนิดไหนได้ก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เนีย่ยสมัยก่อนจะไปจะปฏิบัติต้องไปอยู่ภาคอีสานเพากาการาะภาคกลางไม่มีไม่มีภาคปฏิบัติเนี่ยอาหารทางภาคอีสานเราก็รู้ถ้าไม่เคยอยู่ที่นั่นจะกินไม่ค่อยลง แต่ถ้าไปคุกเหมืาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรรหัสคุกกินอาหารไ่ก่อนพอไปอยู่ที่นั่นก็คุกเหมือนเดิมมันก็กินได้สบายแล้วไปอยู่วัปดป่าบ้านตา น, นี่ท่านไม่ให้พระจัดอาหารเองท่านให้ปล่อยว่าบาทวางไว้แล้วพรทุกรูป ก, ก็มาช่วยกันเอาอาหารตักใส่็รับทัพพีทัพทพีเข้าไปเลือกไม่ได้จัดอาหารไม่ได้แยกไม่ได้เออนันั่นแหละสายไปในบาทหมด อ, อันนี้คือวิธี กำจัดกิเลสที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารแล้วจะทำให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่วุ่นวายไม่ลาบากไม่ทุกข์อยู่ที่ไหนก็กินได้ น, นี่คือการพิจารณาอาหารก่อนก่อนที่เราจะรับประทานเพื่อจะได้ดับไฟของกิเลสตัณหาไฟนรกเาเรียกไฟนรกแค่กินแบบกินเพื่ออยู่อย่าอยู่อย่าอยู่เพื่อกิน คุณกำมปานัทกับขอพรพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันเกิดของผมผมเคยไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมที่วัดยาณเมื่อวันที่23 24เดือนที่แล้วค่ ะ, ะพรที่แท้จริงนี้คนอื่นให้เราไม่ได้เราต้องให้ตัวเราเองอัตตาหิอัตโนนาทโธต้องปฏิบัติแล้วพรนั้นประเสริฐก็จะเกิดขึ้นคนอื่นให้นี้ไม่ได้พรหรอกให้แต่ความปรารถนาดีอน้ ให้ใจวาจาคําพูดลมเปเปล่าๆขอให้สุขให้เจริญคนเราจะสุขเจริญไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราคนอื่นเขาเสร็จเาเปล่าให้เราสุขให้เจริญแต่เราไปทํำบาปมันไม่มีวันเจริญได้หรอกยั้นเราต้องให้พรตัวเราเองด้วยการกระทําคิดดีพูดดีทดําดีปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วผลนันดีอันประเสริฐก็จะตามมาข้าพเจพรกับอธิษฐานเหมือนกันนะครับคว่าพรก็คือสิ่งที่ผู้อื่นให้เราเนี่ย ส่วนอธิษฐานคือสิ่งที่เราอยากจะได้เราขอแต่ความจริงคําอธิษฐานความหมายที่แท้จริงนี้ไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าให้ตั้งใจทำในทาเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราต้องการนี้เรามาใช้แทนเรามาใช้ผิดเรามาใช้เป็นการขอขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ได้ไปนิพพานขอให้ไปเยาวนตายก็ไปไม่ได้ทาให้ปฏิบัติงั้นให้ให้อธิษฐานที่การปฏิบัติ ขอให้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงนิพพานนี่ย้วก็จะได้นิพพานตามมาได้ได้วิทารณญาณขั้นแรกก็นามาอุปบปริเฉษฐญาณเนี่เราจะต้องเจริญสมาธิขั้นไหนจารณาก็พิจารณาร่างกายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอ๋อใช่แค่อุเบขาก็พอขั้นอปปนาสมาธิขั้นฌานสี่จิตดวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้อย่างที่คุณเคยสัมผัสนี่ พยายามเข้าให้อยู่จุดนั้นให้ได้บ่อยๆแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาแล้วจะฝืนความอยากได้สู้กับความอยากได้พออยากไม่แก่ก็หยุดมันได้อยากไม่เจ็บก็หยุดมันได้อยากไม่ตายก็หยุดมันได้คำถามต่อไปจากคุณสุนิสาค่ะปฏิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ลำบากและเดือดร้อนอยู่เสมอยามเราลำบากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น แต่ก็รอดและผ่านวิกฤตมาได้เสมอปัญหาคือลูกมักจะต่อว่าอะไรคือคนดีอะไรคือกฎแห่งกรรมคนเลวคนประหลดตะแลงทําไมถึงอยากถึงได้ดีอยากได้คําตอบที่ชัดเจนจากพระอาจารย์ค่ะ อ, อ๋อคือการปฏิบัติดีนี้ไม่ผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติดีไม่ใช่เกิดจากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากผู้อื่นผลของการปฏิบัติดีก็คือทําให้จิตเรามีความสุข แล้วทาให้จิตเราพึ่งตัวเราเองได้อันนี้ต่างหากไม่ต้องพึ่งคนอื่นคนที่ทําความดีได้นี้จะไม่ต้องพึ่งคนอื่นฉพราะนั้นเวลาทําความดีนี้เพื่อให้เราเป็นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวเป็นที่พึ่งของเราเองพอเราทําความดีแล้วเราจะมีความสุขใจเมื่อเรามีความสุขใจแล้วเราไม่ต้องการได้อะไรจากใครแต่ถ้าเราทําความดีเพื่อได้สิ่งตอบแทนนี้เราไม่ได้ทําความดีแล้ว มันเป็นการซื้อขายแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนนะเหมือนเราไปร้านเซเวนเราให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามาถ้าเราอยากจะทำความดีเราไปร้านเซเว่นเราให้เงินเขาแล้วบอกไม่เอาของติปให้คนงานเห็นทำงานเหนื่อยวันนี้จะให้เงินติปคุณหน่อยแต่เราไม่ต้องการเงินไม่ต้องการของอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการทำความดีทาความดีแล้วไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากผู้อื่นถ้าต้องการรับผลจากแทน แต่ผู้อื่นนี่ไม่เรียกว่าเป็นการทําความดีเพะฉนั้นถ้าเราไปมองผลตอบแทนเราจะท้อแท้เวลาทําความดีแล้วเราไม่ได้รับผลตอบแทนส่วนคนที่ทําตอแหลแล้วกลับได้รับผลตอบแทนเพราะคนที่เขาไปทํานี่เขาชอบคนตอแหลแ <Yeah. S 1> ชอบคนเลียชอบคนเอาใจพอเขาจะเอาใจคนที่เขาได้รับประโยชน์จากคนนั้นเขาก็ให้อะไรเขาเป็นผลตอบแทนไป ดังนั้นเรามองเป้าเรามองผลของการทำความดีผิดผลของความดีที่แท้จริงอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความสบายใจอยู่ที่ความสุขใจอิ่มใจถ้าเราสุข <mas k> ใจอิ่มใจแล้วเราไม่ต้องได้อะไรจากใครเราก็ไม่เป็นปัญหาเลยดงนั้นขอให้เราทาเพื่อความสุขใจแล้วเราจะไม่ผิดหวังแล้วเราจะไม่หวังอะไรได้จากใครเราจะไม่เสียใจเวลาเราไม่ได้อะไรจากใคร ว่าคนตลดตารางนี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้ทุกครั้งไปวันดีเกินดีเข า, าก็อาจจะไม่ได้ก็มีทําแล้วไม่ถูกใจคนที่เขาทาด้วยเขาก็ไม่ให้เราอยู่ดีฉันเวลาทำอะไรอย่าไปมองคนอื่นมองตัวเราฟองที่ใจของเราว่าสุขหรือไม่สุขคําถามต่อไปจากคุณหญิงค่ะอยากถามในกรณีที่เราโกรธเนื่องจากโดนทําร้ายร่างกาย ทั้งนึงเราไม่เอาความเพราะผู้ที่ทําร้ายเราบอกขอขอหัติกรรมกันจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่แต่ไม่นานมานี้เขามีการมาข่มขู่ยั่วให้เราโกรธแต่เราก็ยังปล่อยเขาไปแต่ความโกรธยังมีอยู่เราจะระงับความโกรธให้เร็วที่สุดได้อย่างไรคะก็อย่าไปอยากให้เขาไม่มาทําร้ายเราใครคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมถ้าเขาจะมาทําร้ายเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ คิดว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนมันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ใต้ฟ้าก็กต้องเจอฝนอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจอคู่กัดคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมเจ้ากรรมนายเวเราะเราก็อาจจะเคยไปทํำบาปทากรรมสร้างเวรสร้างกรรมมามากเจ้ากรรมนายเวรก็เลยเยอะดังนั้นเราก็ต้องใครก็ใช้ขันติใช้ความอดทนไปหรือให้คิดที่ดีกว่า น, นี้ก็ให้คิดแบบนี้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 ถ้าหลีกได้ก็ควรจะหลีกถ้าเจอเขาแล้วถ้าหลีกกันได้ก็ เ, เดินมาทางนี้แล้วก็เดินไปอีกทางหนึ่งถ้าหลีกไม่ได้ก็ต้องทําใจใช้ขันติใช้อุเบกขาไปบอกโดนอีกแล้วกู <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างมากก็แค่ตายให้คิดแค่นี้แล้วมันก็จะไม่วุ่นวายใจคําถามจากคุณติทาย บุคคลที่เคยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าจะกลับมาทางจะกลับมาหลงทางโลกได้อีกคะถ้ามันมีหลายมันมีหลายระดับดวงตาเห็นธรรมระดับที่เราเห็นแล้วเราก็ไม่ไปถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษแล้วเราไม่กลับไปกินมนันหรอกถ้ารู้เครื่องดื่มเมอร์สันให้กินแล้วเป็นเป็นพิษเป็นภยัยเป็นมะเร็งนี้เราไม่กินมันแน่นอนใช่ไหมแต่เครื่องดื่มชนิดอื่นที่เรายังไม่รู้ล้วก็อาจจะไปกินได้เพราะฉะนั้น ส่วนไหนที่เราเห็นแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นภัยกับเราเราก็จะไม่กลับไปยุ่งกับมันแต่ส่วนที่เรายังไม่เห็นเราก็ยังไปยุ่งกับมันต่อจนกว่าเราจะเห็นหมดถ้าเห็นหมดแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพปาลันนี้ท่านเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมดร่างยศสารเสรลรูปเสียงกลิ่นรดนี่เป็นทุกข์ไปหมดนี้ร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์อัตตาตัวตนก็เป็นทุกข์ท่านตัดได้หมดท่านไม่ไปหลงยึดติดกับมัน คำถามจากคุณเจนค่ะเคยไปไวหวพระที่วัดแห่งหนึ่งและได้รับทานวงเล็บขันครูมาเจ้าค่ะมีหลายคนทักว่าไม่ควรไปรับเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรและห้ามไปทิ้งให้ไว้ที่บ้านอย่างนั้นปัจจุบันทานยังอยู่ที่บ้านและดิฉันก็ไม่ได้ทําอะไรดิฉันไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ มันก็อาจจะเป็นเทคนิคของการอการดึงเอาคนมาเป็นลูกศิษย์ลูกค้ามาเธอจะเป็นลูกศิษย์ลูกค้าแล้วเธอก็ต้องทําวิธีรับข้าวรับของจากเราไปแล้วพอรับไปแล้วเธอก็ต้องเป็นลูกศิษย์ต้องเชื่อฟังเราอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก็อาจจะเป็นอุบายเพื่อให้เชื่อฟังแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ไม่ดีก็อาจจะเป็นวิธีหลอกเอาลูกศิษย์เอาหลอกเอาคนมาเป็นลูกศิษย์ก็ได้ยิ่น มันก็เราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ก็อยู่ที่ว่ารับแล้วมีข้อผูกผูกมัดอะไรหรือเปล่ามีสัญญาที่ต้องทําตามที่เขาให้เรารับหรือเปล่าถ้าไม่มีเรารับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาก็รับไปถ้าถ้ามีข้อผูกมัดเราก็ต้องดูข้อผูกมัดก่อนว่าเราจะทําตามที่เขาบังคับให้เราทําได้หรือเปล่าเหมือนเป็นการทําสัญญาในสมัยปัจจุบันก็เหมือนกับเป็นการทําสัญญา เราไปเช่าบ้านเขาเขาก็ต้ให้ทําสัญญาว่านี่คือเงื่อนไขของการเช่าบ้านคุณรับได้หรือเปลารับได้คุณก็เซ็นชื่อลงไปถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็อย่าเซ็นชื่ออันนี้ก็เหมือนกันเป็นวิธีการที่จะเหมือนกับเป็นการทําสัญญาระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เท่านั้นเองเขาถามเมื่อกี้เป็นคําถามเก่าคําถามวันนี้ค่ะบางครั้งได้ยินเสียงความคิดเหมือนว่าคุยกันดังมากค่ะ มันฟุ้งมากๆบางทีภาวนาพุทโธได้สักพักก็ฟุ้งอีกค่ะก็นั่นแหละอย่าไปสนใจมันจิตของเราบางทีมันไปรับรู้หรือว่ามันคิดปรุงแต่งของมันขึ้นมาเองก็ได้จิตที่ไม่สงบมันก็จะมีอะไรต่างๆแปลกๆขึ้นมาวิธีที่จะปฏิบัติกับมันก็ให้พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวพอจิตเราสงบแล้วมันก็จะไม่มาหรือถ้าจิตเราไปทํานู่นทํานี่มันก็จะเข้ามาไม่ได้ เวลาเราทำงานทำการนี่บางทีมันก็ไม่มีอะไรมีช่องให้มันเข้ามาให้ดูว่ามันไม่มีสาระอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังนาฏตา<ล>หมดแล้วนะออพอดีก็สมควรกาเวลาหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ